ท่านสาธารณบุทรบริษัทธทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็คงพบกบันดาท่านพุธบริษัทในเรื่องราวของพระเวสสันดรชาดกเป็นอนุว่าวันก่อนทัางสีก่กษัตริย์ก็ถึงเขาวงกฎแล้วแล้วก็บระอินให้เาสั่งวิษณุกรรมเทพบุตรมาทำทุกสิ่งทุกอย่างครบถ้วน แม้แต่พระราหารอาหารที่ปรากฏเป็นผลไม้ก็จัดไว้ให้เสร็จเพราะทราบ ว, ว่าถ้าสี่สสเกษตรมาก็มีความเหน็ดเหนื่อยจะไปหารูกไม้เวลานั้นมันก็ลําบากแต่ความจริงผลไม้ใกล้ๆอสมมีเยอะ <c oughs> แต่ทั้งนี้ก็ต้องชมเชยว่าเป็นความดีของเทวดาแต่อย่าลืมว่าเทวดาท่านฉลาดถ้ามีลมใจเป็นทิพย์ ถ้าคนเลวนี่ไปบนบานสัญกล่าวท่านก็ไม่เอาด้วยแต่คนดีท่านก็ช่วยอย่างไม่คิดค่าจ้างรางวัลเป็นว่าขอกล่าวต่อไปว่าพระเวสสันดรในตอนนั้นยิงเลสรงตรัแก่พระ น, นางมัสีวะนับตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไปเทก็อยากเข้ามาหาเราในเวลาอันไม่ควรเพราะว่าสตรีย่อมเป็นราคีแก่พรมจันทร์ ต่อมาเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญสำคัญจึงพาพระราชโอรสและพระราชินดาทิดามาหาเราได้นี่ท่านตั้งใจบวชจริงๆเมื่อวรานามัีก็ทรงรับพระราชดำรัสและก็ตั้งใจปฏิบัติกิ จ, จวัตรด้ดีเป็นต้นว่าตอนเช้าขึ้นไปเมื่อเช้าขึ้นมาก็เข้าป่าหาผลไม้มาถวาย จัดน้ำช้ยน้ำฉันให้บริบูรณ์ดูแลพระราชโอรสแะพร ะ, ะชิดาให้มีความสุขทั้งสี่ชีวิตก็ต้องลงเชียบอยูย่ณนะที่อาสมนั้นจนวันเวลาล่วงไปได้เจ็ดเดือนโอ้อยู่ที่นี่มาเจ็ดเดือนตอนนี้เขาเริ่มจบวรณประเวทจบเรื่องการเดินป่า ตอนนี้ก็มากล่าวถึงเทวทัตเอ้ไม่ใช่ม่ใช่ชูชกชูชก <c oughs> ชูชกก็คือเทวทัตเทวทัตก็คือชูชก <c oughs> เป็นการเลี้ยงอาหาในขณะที่กษัตริย์ทั้งสี่ประทับอยู่ในแขวงวงกฎเรียบร้อยแล้วในเขาวงกฎนะเรียบร้อยนั้นเรียบร้อยแล้วนั้นก็ยังมีพราม์คนหนึ่งชื่อว่าชูชกชูชกนี่อยู่ในแฟงกาลิการัตตำบลทุนนะวิศ เลี้ยงชีพในการขอทาน <c oughs> เป็นนะว่าเจาพระเวสสันดร น, นี่กับชัวชกนี่ชัวชกจองเวรจองกรรมนานตอนนี้คนที่แกล้ ง, ลงเขาเ น, นี่ยมาเป็นขอทานแต่พระเวสสันดรทําความดีมาทุกชาติเป็นกษัตริย์อาามาว่ากันต่อไปแกเลี้ยงชีพในการขอทานรวบรวมทรัพย์ไว้ได้ประมาณร้อยกริย์ ไ <c oughs> อ้ร้อยกระสาบคือร้อยกระหาปณะไนดะ้ก็ร้อยตํำรึงร้อยตํำรึงสมัยนั้นก็ต้องคิดนะแต่คิดเป็นเงินเวลานี้ก็เป็นหมื่นเป็นแสนแล้วจึงได้นาไปฝากไว้กับพรามซึ่งเป็นเพื่อนกันผู้หนึ่งแล้วก็เที่ยวพิขายจานคือไปเที่ยวขอกันตามวิสัยเมื่อได้โชูชกหายไปนาน แต่พรามผู้เป็นเพื่นอนคนนั้นจิงเล่นนาเอาทรัพย์มาใช้จ่ายเสียจนหมดคือเล่นการพนันหมดคิดว่าตาชูชกไปนานคุณจะตายโหงไปเสีแล้วเมื่อตายไปแล้วก็ช่างมันดีแล้วทรัพย์สินนี่มันมีไว้แล้วก็ใช้แล้วก็จ่ายไปเล่นการพนันไปมันก็หมดพอตายโชชกแกกลับมาก็ก็มันทวงทรัพย์แต่นี่ว่าทะแกนหนักหนาเหลือเกิน แหมแค่พูดเฉียบแหลมและเฉียบขาดเวลาจะใช้อำ น, นาจขึ้นมานี่ก็น่ากลัวแต่ว่าหนังสือเล่มนี้แกก็ตัดขาดทิ้งไปเฉลยใช้ไม่ได้เป็นนั้นว่าเมื่อชูชกกลับมาทวงเงินไม่ได้เงินตามความประสงค์ก็จัดการขู่เข็นต่างๆในว่าทะที่คมคายเป็นนั้นว่าพรามนัดหมดพรามคนนั้นเพื่อนนั้นก็หมดปัญญา แกมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งชื่อว่ามิดจดายิงเด็ ล, ลูกสาวคนนี้ก็เป็นสาวสวยเสนหวยอายุยังอยู่ในวัยรุ่นกำลังน่ารักยิงงด้ตัดสิ้นใจต่อรองรตาชูชกว่านี่เอเพื่อนรักไอเงินทองของหายง่ายมันมีอยู่ภายนอกกายการที่เรานาเอาไปใช้เสียก่อนนี้ก็มีความจำเป็น คิดว่าจะพยายามรวบรวมทรัพย์สินที่หาได้เอาไว้ให้แก่เพื่อนแต่ก็มันเป็นการบังเอิญจริงๆนะเป็นการบังเอิญจริงๆที่หาไม่ทันเพื่อนกามาเสก่อนถ้าเพื่อนมีความร้อนต้องการเงินแล้วก็เงินมันไม่มีแต่ถ้ว่าฉันเนี่ยมีลูกสาวสว ย, ยคนเดียวมีคนก็มาขอรายเห็นว่าไม่สมควร เห็นว่าเธอสมควรที่จะเป็นพัญญาที่ดีของเพื่อนถ้านั้นเรียขอยกลูกสาวให้แทนเงินจะเอาไหมตอนนี้ที่แต่แก่มองหน้านาวิตตนดาก็เลยนำลายไหลทั้งสาวทั้งสวยรูปทรงก็งกดงามไม่ยอมรับไม่รับแล้วก็นำนาวิตตนดาไปอยู่บ้านของตน สำหรับนาไมเทนดานั้นก็เป็นเด็กที่รับการฝึกฝนอบรมมาเป็นอย่างดีอนะแต่ว่าเมื่อพ่อแม่มีทุกข์จำจะต้องเปื้อนทุกข์ความจริงเป็นผู้หญิงมันแย่ตรงนี้เหมือนกันนะ <c oughs> กอรเอามิตทนดานี่นจะว่าก่อมเป็นจริงๆเธอเป็นคนไม่ใช่ตุ๊กตาการที่ให้แต่งงานกระตายโชวชกตาโชวชกน้นว่ามีคดก้าวคด งอนน่นงอ น, นี่หลังก็โกงแข้งกะแข้งขายแข้งก็งกลางหลังก็แก่แล้วก็มันก็ยุ่งไม่ไม่มีอะไรสวยงามเลยอเ <c oughs> นี่ยเด็กหนุ่มเด็กสาวที่เขาจะแต่งงานกันเขาต้องการความสวยสดงดงามลักษณะผึ่งผายเป็นเหตุเป็นเบื้องต้ น, ตนเรื่องความดีของคนมันเป็นเรื่องที่สองแต่ว่านางมิเต็นดาต้องมามีผอแก่ชินีเพราะอะไร นะว่ากันซะก่อนดีกว่าว่าทําไมอมิเตนดารูปงามน่าจะมีสามีที่ดีกว่านี้และก็ชูชกตัวปีทําไมได้มีเมียสาวแล้วก็สวยย้อนกลับถอยหลังใชก่ก่อนก่อนท่านกล่าวว่าอมิตทนดาคนนี้สมัยไม่ใชก่ก่อนก่อนเวลาที่จะบูชาพระรัตนตรยัย เธอก็จะพยายามจัดหาดอกไม้ที่เธอไม่ต้องการนั่นหมายความว่าดอกไม้อันไหนสวยดอกไม้อันไหนดีเธอชอบเธอก็เก็บเอาไว้ดอกไม้ดอกใดที่มีอาการร่วงโรยเธอก็ไปบูชาพระรัตนตรยัยแล้วต่อมาในภายหลังมีชาวบ้านขัตําหนิว่าทําอย่างนี้มันเป็นของไม่ดีถ้าเป็นทานก็ถือว่าท้าสเตทาน การบูชาก็ถือว่าทาสบูชามันเป็นของไม่ดีของเลวกว่าที่เราจะกินจะใช้ฉะนั้นนาวิตตดาภัยหลังจะมาตัดสินใจใหม่ถวายดอกไม้แก่พระตนตรัยด้ยดอกไม้ตูมดอกบานยำแยมพอสวยสำหรับตาชูชกนั้นเวลาที่แกจะบูชาพระตนตรยัยในชาติกงกร ท่านกาเขากล่าวว่าแกบูชาคัดสรรดอกไม้ที่มีความสวยสดงดงามมาบูชาพระรัตนตรัยโดยอานใดสองอย่างนี้จึงเป็นปัจจัยให้แกมีเมียสาวทั้งทัที่แกไม่สวยเนามิตนดาต้องมีมามีผัวแกแล้วหาความสวยสดงดงามไม่ได้ก็เพราะว่าเป็นการบูชาพระรัตนตรัยที่ดอกเดอกไม้ที่ตนไม่ต้องการ แต่ว่าภายหลังมิเต็ดาเมื่อชูชกไปแล้วมิเต็ดดาได้ผัวใหม่เป็นผัวหนุ่มก็าการถวายดอกไมกแ้แก่พระพระรัตนตรัยในตอนหลังจัดสามดอกไม้ที่สวยสดงดงามที่ตนชอบใจนี่เป็นอันหนึสงส่วนหนึ่งที่จะข้ามไปเสียไม่ได้เพราะหนังสือนี้ไม่มีไม่มีก็แล้วไปก็ไปเนี่ยแปลอะไรเสียงใดที่จําได้ก็แทรกตรงมามันเต็ม เต็มบังไม่เต็มบั ง, บงก็ช่างเถอะเอาแค่ที่พอรู้นะถ้าเป็นคาตกบกพร่องไปบ้างก็ขอบรรดาสาวกพระองค์ทมเด็กพระบระมครูโปรดให้อภัยเพราะว่าไม่มีเจตนาใดๆที่ตัดรัดให้ขายความเล่ากันต่อไปว่านาไม่ตันดานั้นก็เป็นเด็กที่มีการรับการอบรมฝึกฝนมาแล้วเป็นอย่างดี เวลาที่เธอปฏิบัติสามีจึงปฏิบัติได้ถูกต้องไปที่น่าพอใจบรรดาผู้พรามหนุ่มๆทั้งหลายในหมู่บ้านนั้นเห็นเขา้าก็รู้สิกฤธิยาพากันดดาพัญญาของตนคนตนว่าเห็นไหมว่านามิตรดานะ่เขามีผัวแก่แต่เขาปฏิบัติผัวแก่ๆอย่างดีที่สุด ด้วยความอาใจใส่เป็นอย่างดีทําไมเจ้าจึงได้ประมาทในเราไม่เอาใจใส่ให้ความสุขกับเราเหมือนกับมิเตนดาก็ทํากับชูชกตอนนี้เรื่องมันก็เดือดร้อนเป็นนั้ว่าหญิงทัานหลายเหล่านั้นก็เดือดร้อนเพราะนา ม, มิเตนดาไปทําแบบนั้นเข้าตัวทำไม่เหมือนเป็นนัว่าวันหนึ่งขนาดที่นาง ม, มิเตนดาไปมิเตนดาไปตักน้ํา พัญญาของพวกความทลายเหล่านั้นก็พากันโกรธแค้นมื่อโกรธมานานอยู่มาในการก่อนสามีไม่เคยว่าไม่เคยดา่าไม่เคยกระทบ ก, กระเทียบแต่ว่าพอมิตฉดามาทําดีเข้าวพวกเธอเธอกลายเป็นคนไม่ดีความไม่ดีของเธอกลายเป็นความเด็ดร้อนเธอก็คิดว่าไอ้ความเด็ดร้อนเนี่ยมันมาจากนางมิตฉดาเป็นสําคัญ ยี่ได้พาร่วมใจกันเดินมาจะกำจัดนางเมตันาให้ไปเสียจากหมู่บ้านนี้ยีงได้พากันไปที่ท่านน้ำประชุมกันดาได้ไปการใหญ่ว่านางตัวดีนั่งตัวดีอีคนสวยดูเจ้าก็ยังเป็นสาวรุ่นดรุณีจะไหนที่ได้มีสามีแก่ถึงป่านนี้ มีดารมันดาญาติมิตรของเจ้าพาันงกมิบยกเจ้าให้เกับพรามเท่าตาชีนะไหน่าสงสารอนิจจาเอ๋ยการเป็นการขาดเมตาปรานีที่จริงๆนะที่เป็นของน่าประย์อดสูยใจเหลือเกินการอยู่ร่วมกับผัวกแก่ก็เป็นเหมือนการข่มขืนน่าขึ้นใส่ ถ้าอย่างฉันแล้วก็จะตายซะดีกว่าหรือว่าถูกงูกัดซะก็ยังดีหรือว่าถูกหอกแทงก็ยังดีมิได้มีความเจ็บปวดเหมือนกับนอนโนดอยู่กับอีตาแก่แรงทึ้งนี่มันน่าหนาะอนาจใจไรชนี้จะยอกจะล้อจะเล่นจะหัวอะไรกันก็แต่ละทีมันก็มีมันจะมีรสชาติอะไร นี่มันดาแม่คุณแม่คุณไ ม, ม่คุณหัวส่วนผัวนุ่มเมียสาวน่ะเท่ายยกร้อกันแต่ละทีในที่รับความโศกเศร้าที่รู้ที่เรารุ่มก้มใจมันก็จะพันหาหายไปทันทีนเห็นไหมหมายก็ความโศกเศร้าที่เรารุ่มรุมอยู่ในใจน่ะ เวลาที่เ็หยอกล้อกันในลักษณ์มันก็จะงับเสื่อมคลายหายไปมันปิดทิ้งเจ้าหรือก็ยังเป็นสาวสวยรูปร่างงดงามโสภาจะหาัวหนุ่มที่ละหลอ่อรุ่นราวเค้าเดียวกันก็จะได้ถมเทไป <c oughs> แล้วก็ทำไมยังมาทนอยู่ได้ไปเสถ่เจ้าอีตาพราหม์แก่เท่ามันจะทำให้ เจ้าเริงรถโรกีได้ยังไงกันนี่เขาก็บอกว่าอานิจาเอ๋ยหน้าหนาจริงๆนุ่มแชกันนั่นหละเจ้าจะทำให้หล่นรื่นรมได้นี่เป็นอั้นว่าเขาหาทาง ม, มาันดาและก็แนะนำนา ม, มิธดา <c oughs> ให้จากไปใช้จากที่นี้ความจริงก็น่าคิดเหมือนกันเคาพูดของเขามันก็ถูก คนรูปร่ารุ่นราวคราวเดียวกันหลายๆกันเป็นสามีพัญญากันก็น่ า, นารื่นรมแต่ว้าว่าอีแต่แ ก, กรูปร่างไม่เป็นเรื่องคราวีดาก็ไม่เป็นไรแต่ว่าร่างกายแกหน้าไม่น่าดูเสียเลยมาเป็นผัวหญงสาวสวยนี่ก็ต้องคิดจิตของคนมันก็เป็นจิตของคนไพราะนั้นว่านามิเตดาก็ไม่สามารถจะทนฟังคาบริภาดได้นะ พี่เขาว่าเมื่อกี้นี้อ่ะเาความจริงเขาว่าเจ็บกว่านั้นแต่ก็ว่ากันเพรหอมปากหอมคอนางที่ได้ช่วยได้มอนน้าก็เดินร้องไห้กลับบ้านตาชูชกเห็นเข้าเห็นเช่นนั้นก็ลุนลานรีบออกมารับแล้วก็ถามอย่ำนล่างแล้วักว่าอะไรจันไม่คุณแม่คุณแม่ทุนหัวแม่ไม่เป็นดา น้องร้องไห้ทำไมกันจ้าบอกพี่โอ้โหความจริงควรจะบอกบอกปู่เนี่ยบอกว่าบอกพี่สาหรับนาไมตันดาจะนี้เล่าให้ฟังว่าท่านพราหมณ์ต่อไปนี้ไปเนะี่ยฉันจะไม่ไปตักน้ำที่ทานน้ำให้ท่านอีกแล้วเพราะว่าอีชาวบ้านมาดุมด่าฉันด้วยเหตุข้อเดียวแหละที่ท่านเป็นคนแก่ได้ชูชกตกใจ คิดว่าคนด่าได้ ย, า ง, ยางอื่นนราทัพย์สินใหแก่ได้ด่าเพราะความเป็นคนแก่นี่ยไม่แก้ไม่ไหวเ้าก็จะทํำยังไงให้แกกลับหนุ่มมาตามเดิมมันก็หนุ่มไม่ไหว <c oughs> เรนว่าอตาชูชกจะได้กล้าก็ไม่ตันดาว่าถ้าอย่างนั้นน้องก็ไม่ต้องไปตักน้ําอีกละฉันจะไปตักเอง ย่าเสียอกเทศใจไปเลยไม่คุณนี่มันลนะปดตังคีเวทานางปาเท <c oughs> แล้วก็ภริยาหัดเทท่านบอกห่วงลูกผูกคอห่วงซับผูกข้อเท้าห่วงพันยาผูกข้อมือต้องมีงานเพิ่มขึ้น <c oughs> สำหรับนานวิตันดาจึงกล่าวว่าข้าจะให้ผัวไปต่างน้ำยังไงระบ่าะคุณ นี่ฉันเป็นพัญญานะั่นจะใช้ผัวไปตักน้ำนี่มันไม่สมควรถ้าท่านไปตักน้ำเองฉันก็อยู่เรือนท่านต่อไปไม่ได้แต่ถ้าจะต้องไปหาคนใช่ไหมคะ่ะหมายกวัดหน้าที่ของพัญญานี่จะต้องตักน้ำแต่ว่าท่านจะไปตักน้ำเองฉันก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าผิดหน้าที่ หมายความจริยาอย่างนี้ไม่สมควรที่ปัญญาจะให้สามีทําถ้าท่านต้องการใจะใอยู่ที่นี่แล้วก็ต้องไปหาคนาใหม่ฉันใช้ไปหาคนใช้มานี่ฉะนั้นฉันก็จะไม่อยู่กับท่านเด็ขาดโอ้โหยุ่งแล้วยุ่งแล้วเป็นอันว่ายุ่งชายแก่โคแก่กินแย่อ่อนเป็นว่าท่านชูชกกล่าวว่าโอ้ไม่คุณไม่คุณไม่คุณ ฉันจะเอาทรัพย์สมบัติอไะไปหาคนใช้มาให้ได้เอาเถอะฉันจะปรนิบัติเธอเองอย่ากลัวเลยอย่าเดือดร้อนไปเลยเป็นนั้นว่าไม่มีเงินจ้างคนใช้ <c oughs> ไม่มีเงินจ้างคนรับใช้ก็จะเป็นผู้รับใช้เสีเองในตอนนั้นท่านกล่าวว่าเทวดามาอีกแล้ว เทวดาจึงได้โดนใจนางมิันดาแล้วกนะ็แนะนำชาชโชกไปว่าถ้าอย่างนั้นแล้วก็ข้าจะบอกให้จงไปหาพระเวสสันดรสิเวลานี้ท่านอยู่ที่เขาวงกฎนนท์ะท่านมีลูกหญิงแล้วก็มีลูกชายคือมีลูกหญิงหนึ่งคนมีลูกชายหนึ่งคนไปขอได้ไหมสิ เราจะได้เด็กทั้งสองนั้นมาเป็นคนรับใช้คือโดยไม่ต้องเสียค่าจ้างอะไรึ้กอย่างเลยเงินบ่บาทหนึ่งก็ไม่ต้องใช้เพราะท่านเป็นคนใจดี <c oughs> ตอนนี้จา่าชุชกฟังกรร้องตกใจว่าโอ้แม่ไม่แตดา่าฉันเลือแก่ร่างกายก็ไม่สมประกอบใจหิวหอบร่างร้ายร่างกายนี่ไนะร่างไร้ไปเขาวงกฎได้ยังไง ย่าพูดเหล้วไหลไปเลยไม่คุณเอาเถอะฉันจะปฏิบัติเองไม่ต้องไปหาคนใช้สำรับนามิาจิดาจึงไกล่าวด้วยวาจาเป็นคำขัดว่าคนขี้ขลาดยังไม่ได้ถึงไปสนามรบก็ยังไม่ทันจะรบก็ยอมแพ้อะไรยังไม่ทันจะไปก็ยอมจำนนจงรู้ไว้เถอะว่า ข้าจะไม่ยอมอยู่กับท่านต่อไปอีกแล้วถ้าว่าท่านไม่ไปนําเด็กทั้งสองมาเป็นคนรับใช้ฉันจะไปตามชอบใจของฉันแหละคราวนี้เมื่อท่านไม่ไปตามสั่งฉันก็จะไปตามฉันสั่งตัวของฉันเองเมื่อถึงคราวที่งานนะัขตฤกษ์ข้าจะแต่งตัวโดยคลอเคลียก็ใช้อื่นให้มันชื่นใจไปเลยนะเขาบ่าชื่นมื่นไปเลย แล้วทางง่านเอต้องทนทุกข์ไปเองร่างกายที่งออยู่แล้วก็จะงอกโกงมากขึ้นผมที่งอกอยู่แล้วก็จะงอกมากขึ้นเอาละจะได้เห็นดิงกันแล้วว่าท่านจะไปหรือว่าฉันจะไปเป็นอันว่าท่านจะไปหาคนใช้หรือว่าท่านจะให้ฉันไปหาผัวใหม่เว่ากัตรงๆนะ ชูพกเนชูโชคได้ฟังคำแบบนั้นก็ตกใจตาม่ิสัยของคุณแก่ที่หลงเมียสาวตอนนี้ก็เงื่อการแตกตัวสั่งงนงกที่ได้ร้องค้นว่าโอ๋หนอแม่คุณแม่คุณแม่ทุนหัวอย่าทำอย่างนั้นเลยถ้าเธอไปชื่นมื่นกับชายอื่นแล้วก็ฉันก็คงจะต้องดับจิตชีวิตจิตจากร่างไปเลย ถ้ากันนั้นก็เร็วๆก็ถือแม่มิตันดาเอ๋ยจงจัดจำเบียงเดินทางเขาสิอย่าชักช้าเห็นท่าจะไม่ดีการขนมแดดงาขนมอ้อยขนมพึ่งทั้งเข้าตัวก้อนเข้าตัวผงแล้วข้าวพอกเจ้าจงจัดไวด้ดีๆนะบรรจุท้ายให้เต็ม ฉันจะไปนำมาพี่น้องสองกุ ม, มารมาเป็นท่ารับใช้เธอให้มันเร็วที่สุดที่จะเร็วได้โอ้โหโดนไม้เด็กขายก็เ ป, ป้าไปขอแะ้วก็ขอให้ขอใหญ่คือขอลูกกริย์ขณะที่นาไม่แตนดาสรวนอยู่การจัดสเสบียงการเดินทางตาชูชกกระจัดแจงแลดูบ้านเรือน ซ่อมแซมสิ่งที่ยำรุดซดโสมลตลอดทั้งหมดทั้งหน้าประตูทั้งหน้าต่างหน้าบ้านทั้งหลังบ้านเก็บพื้นมาจากป่าตักน้ํามาใส่ถุ่มจนเต็มไปหมดแล้วก็แต่งเพศเป็นดาบทแล้วก็สั่งอเมจันดาว่านี่แนะแม่อเมจันดานับตั้งแต่แบบนี้เป็นต้นไป ในเวลาค่ำแม่จะออกจากบ้านนะแล้วสาตัวว่าเห็นดีไว้คอยท่าพี่ที่พี่จะกลับมาว่าแล้วก็สวมรองเท้าสะพายบรรจุกระสอบนะสะพายกระสอบบรรจุสเบงกลังเพื่อทำการประทักษินพัญญามาแสดงความเคารพนะเบงขวามีหน่วยตาอันนองไปด้วยน้ำอสุชนน้ำตาไหล น้ำตาไหลเนหะ่วงมเมียก้มหน้าเดินร้องไห้เอาเจริญไปบายหน้าตรงไปยังนครสีพี <c oughs> ขั้นว่าถึงเมรุนครเห็นคนชนมันกนอยู่ที่ไหนก็เข้าไปถามที่นั่นถามว่าพระเวสสันดร น, นั้นเวลานี้อยู่ที่ไห น, บ, นบรรดาประชาชนเข้ากรรองว่าหน่อยแน่อิตาแก่ร้ายอิตาแก่ร่างร้าย ยังจะมีหน้ามาถามถึงพระเวสสันดร อ, อันไหนไหมนะที่ตอนนี้จะเกิดทูประชาทันว่าจะแก่ร่างรรหรือว่าจะมีหน้ามาถามถึงพระเวสสันดร อ, อยู่ที่ไหนเวลานี้พระเวสสันดรนั่นถูกในลระเทศขับไล่ไปอยู่ลำบากในเขาวงกฏก็เพราะว่าพวกแกนี่แหละคิดคดประยชน์เที่ยวขอที่จนไม่ดูหน้าคน พวกแกนี่แหละที่ทำให้ให้เจ้านายของเราต้องเมียนเป็นไปและก็ยังทำให้พวกเรายากจนยังจะมายืนอยู่เห็นอีกคือนี่ว่าแล้วก็คว้าก้อนหินบ้างคว้าไม้ท่อนบ้างไล่ตามไล่คว่างตาจชู ช, ชกกึงคิวกราวสำหรับตาจชูชกก็พาร่างไรของแกหนีก็เจอกระเจิเจงไป แต่ว่าเทวดาก็ดนใจเรื่องทั้งหมดนี่นะบรรดา ญ, ญาโยมพุทธบริษัทแล้วพระเจ้าทรงรับรองว่าเป็นเรื่องจริงพระเท ว, วดาเขาดนใจให้แกพระดพาดเข้าไปในทางที่ยังเขาวงกตพอดีวิ่งหนีเข้ไปหลงเข้าไปชนอาทางไปเขาวงกดพอคนพ้นเขณรายที่ถูกไล่ถูกตีมาแต่ก็เจอเข้ากับ เจ้าสุนัขไล่เนื้อของเจตบุตรหลายตัวมันพากันเขารุมเห่าเสียงลัน่นเสียงออกลั่นป่าก็สแสดงว่าเป็นสุนัขของพรานเจตบุตรผู้ระวงังใครมีหน้าที่รักษาทางที่จะเข้าไปยังเขตภูขเขาวงกตตาชูชกต้องเพ่งขึ้นไปบนต้นไม้ขึ้นไปนั่งตัวสัน ขวัญหายอยู่บงคาคบของต้นไ ม, ม้บรรดาผู้สุนับท่านหลายก็ห้อมร้อมอยู่รอบโคนต้นไม้นั้นเป็นว่าตอนนี้ตาชูชกเห็นภัยใหญ่อยู่รอบตัวแบบนี้ไม่มีทางจะหนีไปได้จึงแต่แต่ลำพันธ์ในใจว่าโอ้หนอข้าแต่พระเวชนดอนขอจงเป็นที่พึ่งขอเราดีเถิด มีใครบ้างที่ไหนบ้างที่รู้หนทางจะไปหาพระเวสสันดรขอได้โปรดช่วยบอกทางให้เราด้วยอาวเธเจ้าจุคาเป็นนั้นว่าบรรดา ญ, ญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนามองดูเวลาแล้วเขาจะเปิดฉากให้เจตบุตรออกมาจากฉากก็ปรากฏว่าไม่มีโอกาสเพราะเวลาเหลือเวลาครึ่งนาทีเท่านั้น ดังนั้นเรื่องราวของพระเวสสัดนดรตอนนี้ก็ข อ, อยุติไว้ก่อนวันหน้าหากปรารถนาโปรดฟังต่อไปขอบรรดาญาจโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่รับฟังจงมีด้วยความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์คุณผลและจงเจริญไปด้วยจัตุรพิทพรชัยทั้งสี่ประการ มีอายุวันาสุขะพระละและปฏิพานหาทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดก็ขอได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาจนทุกรการสวัสดี